2. โกศิยวัค 1. โกศิยาศิขาบท 34. ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัตินิสักคียาปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ใช้ให้ทำสันทัดผสมใยไหมณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณเมืองอารวี ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉับพักคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพักขีเข้าไปหาพวกช่างทอผ้าไหมกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านจงต้มตัวไหมจํานวนมากให้แก่พวกอาตมาบ้าง พวกอัตมาต้องการจะทำสันถัดผสมใยใหม่ในโกสิยศิขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุทรฐานเกิดด้วยสมุทรฐานหกสมุดฐาน